สวัส ด, ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีเสียงพันธบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปเยซูตอนที่สามร้อยแปดเรื่องการอธิษฐานของระเยซูครั้งที่แปดสิบสามขออย่านําข้าพงเข้าไปในการทดลองพี่น้องครับเรามาถึงประเด็นที่สําคัญก็คือว่าการอธิษฐานของพระเยซูนี้ช่วยเราให้ชนะการทดลองได้พี่น้องครับผมขอย้ําครับว่า การอธิษฐานของพระเยซูที่ทรงตัดสอนพวกเราให้อธิษฐานนั้นเกี่ยวเนื่องกับการทดลองการล่อลวงการทดสอบพี่น้องครับพระเจ้าสามารถช่วยเราให้ชนะการทดลองได้พี่น้องอาเมีไหมครับวันนี้ผมมีอหลักหกประการครับในการที่เราจะชนะการทดลองแต่ความจริงจากการอธิษฐานว่าขออย่านําข้าพพงเข้าไป็นการทดลองนั้น ทำให้เราเห็นหลักหกประการนี้และหลักหประการนี้ประการแรกครับก็คือเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านําข้าพลงเข้าไปในการหลงเรากําลังกําหนดท่าทีที่ระวังตัวเป็นการท่าทีเฝ้าระวังนะครับสําหรับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราคําอธิษฐานที่พระเยซูสอนให้สาวกอธิษฐานก็สอดคล้องกับคําสั่งที่พระเยซู ได้ให้สาวกของพระองค์อธิษฐานในสวนเกตส์มันเพปีเยอูพบว่าเขานอนหลับและเขาเหนื่อยมากใช่ไหมครับแล้วปีเตอร์ตรัสว่า ไ, ไงครับปีเตอรตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกําลังอยู่พี่น้องครับท่าทีของการเฝ้าระวังท่าทีของการระวังตัวนั้น เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อเราอธิฐานว่าขออย่านำข้าวบงเข้าไปการทดลองนั้นเรากําลังขอาการปลดปล่อยนะครับปลดปล่อยจากทั้งวิกฤตและกระบวนการพี่น้องครับผมจะพูดถึงเรื่องกระบวนการก่อนนะครับการชําระให้บริสุทธิ์เมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าเป็นกระบวนการการพ้นจากการทดลองหรือการไม่นํา ขอการไม่นำค่าโพรงเข้าในการทดลองนั้นก็เป็นกระบวนการเหมือนกันครับที่น้องครับทำไมถึงเป็นกระบวนการผมอยากจะเปรียบเทียบนี้นะครับว่าเหมือนกับการเล่นกีฬาครับเมื่อมีมวยนะครับก็จะมีการต่อสู้ระหว่างเรากับคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อสู้กันถึงเวลานั้นเราก็พักยกเราก็ให้น้ำเราก็รับฟัง อาการสอนของโคช้ชพน้องครับการทดลองนะครับการสอบผ่านนะครับการเอาชนะการล่อลวงก็เช่นเดียวกันครับมีการพักยกครับมีการเข้าสนิทกับพระเจ้านะครับในเช้าทุกๆวันหรือกลางคืนทุกๆวันแต่พอวันทํางานนั้นเราก็ออกไปมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องต่อยไปเรื่อยๆต่อยไปเรื่อยๆครับและเมื่อถึงจบยกเราก็พักเราก็ไปเติมน้ํา เราก็ไปรับคําหนุนใจเราก็ไปได้รับสิ่งต่างๆจากโค้ชของเราก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์นั่นเองโค้ชของเรานั้นได้ให้กับเราอยู่สองทางครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะพี่น้องโปรดจาให้ดีนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเน้นอยู่เสมอและพระวจนะสองอย่างนี้นะครับจะไปควบคู่กันครับเพราะวาพระวจนะนั้นไปอย่างเดียวโดยไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ครับ แต่พอมี ญ, ญาณบริสุดธ์ไปอย่างเดียวโดยไม่มีพอ j e ะ, ะไม่ได้พี่น้องครับนี่เป็นประการที่สองแต่ก่อนจะไปประการที่สามนะครับเรามาดูคำว่าการทดลองซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อนนะครับภาษากรีกเนี่ยใช้คำว่า perasmus นะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกระบวนการจริงครับก็คือจะต้องมีการ input นะครับมี process และก็มี output คำว่า perasmus นั้นเวลาเราใช้คานี้นะครับเป็น มีความหมายว่าอย่านําข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ในที่แห่งการร่อลวงซึ่งข้าพเจ้าต yeah. ้องต่อสู้กับการทดลองทุกวันทุกวันทุกวันเห็นไหมครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการทดลองนั้นธรรมชาติของมันนี้ก็คือเป็นกระบวนการนั่นเองนะครับอย่านําข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ในที่แห่งการร่อลวงซึ่งข้าพเจ้าจะต้องต่อสู้กับการทดลองทุกวันพี่น้องครับถ้าเราต่อสู้กับการทดลองทุกวันซึ่งมันมีครับเนะย เราร like ู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับเช่นเดียวกันคับนี่คือการอธิษฐานของพระเยซูที่ว่าขออย่านําข้าบงเข้าเป็นการทดลองในการต่อสู้ทุกวันทุกวันทุกวันเลยเพรอะครับข้าพเจ้าเกรงว่าข้าพเจ้าจะเหนื่อยและข้าพเจ้าจะแพ้น้องครับประการที่สามครับหลักประการที่สามเมื่ออธิษฐานนะครับขอให้พ้นจากการทดลองอย่านําข้าบงเข้าเป็นการทดลองนั้นเรากําลังบอกกับพระเจ้าว่าอย่าให้พระองค์ต้องถูกทดลองอย่างต่อเนื่อง จากความบาปเดียวกันเห็นไหมพี่น้องครับเห็นไหมครับประการที่สามก็คือว่าเรานั้นถูกโจมตีจากบาปเดียวกันที่เราแพ้อยู่บ่อยๆครับขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องถูกทดลองอย่างต่อเนื่องจากความบาปที่เฉพาะเจาะจงที่ข้าพเจ้าแพ้อยู่เสมอที่ข้าพเจ้าไม่สามารถเอาชนะได้เลยห ร, รเหรือที่ข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้านั้นสู้กับมันตลอดเวลาเถยงกับชนะบ้างแพ้บ้าง ปล้ำกับมันสู้กับมันอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับนี่คือประการที่สามผมอยากจะบอกว่าชีวิตนั้นเป็นกระบวนการครับเมื่อเราเริ่มต้นเอาชนะความบาปได้นะครับก็จะมีความบาปอีกประเภทหนึ่งมารอเราอยู่เพราะฉะนั้นการอธิษฐานว่าขออย่านำข้าว้วบุญเขาเ้าไปการลองจึงเป็นการขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเรานะครับให้เราผ่านชัยชนะหนึ่งไปสู่อีกชัยชนะหนึ่ง เรากำลังอธิษฐานว่าข่าแต่พระเจ้าขอประทานชัยชนะแก่ข่าพงในวันนี้ในวนันพรุ่งนี้นะครับเราเอาชนะไปแล้วแต่พรุ่งนี้เราก็จะอธิษฐานอีกว่าข่าแต่พระเจ้าขอประทานชัยชนะแก่ข้าพงในวันนี้น้องครับต่อไปนะครับประเด็นต่อไปคือประเด็นที่สี่ครับเมื <ME> ่อเราอาธิษฐานว่าขออย่านําข่าพงเข้าไปการทดลองเรากําลังขอการปลดปล่อยจากวิกฤตนะครับวิกฤตเราอาจจะไม่เคยอยู่ ในสภาวะการถูกล่อลวงให้ขโมยนะครับหรือบางครั้งเราอยู่ในสภาวะที่ถูกล่อลวงให้ไม่ซื่อสัตย์ต่อของเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นถูกยั่วยวนด้วยเงินนะครับสิบล้านเราจะโกงไหมพี่น้องครับการที่คนเราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการที่เขาคิดและชั่งน้ําหนักว่าเขาคุ้มไหมเช่นเดียวกันครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออนุญาตเข้าวงเข้าไปการทดลองนั้นก็คือว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนความคิดของเราในเรื่องของการคุ้มค่าบางคนบอกว่าสิบบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทเขาไม่โกงครับแต่ถ้าสิบล้านร้อยล้านเขาเอาพี่น้องครับอันนี้คืออตัวอย่างนะครับ ถ้าร้อยล้านคุณจะโกงไหมเราต้องคิดล่วงหน้านะครับอันนี้คือการที่เราอธิษฐานว่าขออย่านําข้าพงเข้าไปการทดลองแม้ว่าจะมีการยั่วยวนขนานใหญ่ก็ตามประการที่ห้าครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านําข้าพงเข้าไปการทดลองเรากําลังเหมือนกับคนยามกลางคืนครับซึ่งพบเห็นไฟไหม้ในโกดังเจ็บของและเราไม่พยายามดับไฟได้วยตัวเองแต่วิ่งไปเรียกรถกับเพลิงมาดับต้องเห็นภาพนี้ไหมครับ เมื่อเราอธิษฐานเรากําลังขอร้องนะครับร้องขอความช่วยเหลือของพระเจ้าครับซึ่งเปรียบเสมือนกับรถดับเพลิงเพื่อที่จะมาะเผชิญมาสู้กับไฟแห่งการทดลองในชีวิตของเราเราอยากพยายามเอาชนะด้วยตัวเองนะครับเพราะลําพังแล้วความอ่อนแอของเรานะครับมันสลายมนรู้จุดอ่อนของเรามันชนะเราได้ทุกท่าครับแต่เราสามารถที่จะวิ่งไปเรียกรถดับเพลิงก็คือองค์พระบุญเจ้าของเรามาช่วยเรา ว่าการสุดท้ายับประการที่หกในวันนี้เมื่อเราอธิฐานว่าขออย่านํำข้าพงเข้าไปการทดลองนั้นเราอาจจะอยากขอเพิ่มไหมว่าขอช่วยข้าพรงให้วิ่งหนีให้เร็วที่สุดจากการทดลองพี่น้องครับคําว่าวิ่งหนีนะครับก็คือตรงกับที่ท่านอัครทูตเปาโลบอกกับทีโมทีว่าจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้หนึ่งทีโมทีบทที่หกข้อสิบเอ็ดครับแน่นอนครับคําว่าหนีหมายถึงการวิ่ง วิ่งอย่างคนที่วิ่งหนีออกจากรถที่กําลังติดไฟหรือไฟลุกหรือก่อนที่ถังน้ำมันจะระเบิดแบบนั้นนะครับวิ่งหนีสุดชีวิตวิ่งหนีโดยที่ไม่คิดพยายามเอาตัวรอดให้ได้พี่น้องครับนี่คือท่าทีที่มีต่อการทดลองขอพระเจ้าช่วยเราให้วิ่งหนีให้เร็วที่สุดชีวิตของโยเซฟใช่ไหมครับเมื่อเขาถูกทดลองถูกยั่วย้านะครับ จากภรยาของฟอติฟาที่เราเห็นนะครับท่าน พ, พีบันทึกอย่างชัดเจนครับโยเซฟวิ่งหนีก่อนจะจบในวันนี้ผมอยากจะเรียนถามพี่น้องว่าในชีวิตของเรานั้นเคยวิ่งหนีอะไรไหมที่เป็นความบาปเราเคยวิ่งหนีอะไรไหมที่เป็นการล่อลวงเราเคยวิ่งหนีอะไรไหมที่เป็นการทดสอบจากพระเจ้า เพื่อที่ให้เราผ่านให้เราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับสิ่งเหล่านี้และขอพระเจ้าช่วยเราให้เราไม่ตกอยู่ในการทดลองในสิ่งต่างที่เราเคยแพ้มาก่อนแต่เพื่อที่ชัยชนะในวันนี้จะนําไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันต่อต่อไปอาเมน